วันนี้เรามีเรื่องเล่าตำนานมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อทุ่งกุลาดองไห้ซึ่งเมื่อก่อนเป็นที่ที่มีความแห้งแรงมากแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะกลายเป็นแหล่งปลูกข้าวอันดับต้นๆของประเทศไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังได้เลยนะคะ เรื่องราวของทุ่งกุลารลองไห้ค่ะเป็นที่ราบที่มีอนาเขตกว้างขวางและก็ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมีเนื้อที่อยู่ประมาณ 2,176,911 ไร่ แล้วก็มีอาาเขตครอบกลุมพื้นที่ทั้งหมด5จังหวัดได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามสีสเกตและก็ยะโสธรนะคะส่วนพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันมากที่สุดกว้างยาวที่สุดนั้นเริ่มตั้งแต่อําเภอพยัคฆภูมิพิสยัยจังหวัดมหาสรารคามค่ะเรื่อยขึ้นไปทางตะวันออก ส่วนกว้างที่สุดอยู่ทองที่อำเภอปทุมรัฐ<ฤ>กรเกษตรวิสัยสุวรรณภูมิแล้วก็อำเภอโพลทรายนะคะซึ่งมีเนื้อที่อยู่ที่ 847,000 ไร่ ส่วนทุ่งนานะคะที่มีชื่อลือนามว่าทุ่งกุลาดรองไห้นั้นก็จะอยู่ในเขตอำเภอเกษตรวิสัยแล้วก็อำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็อยู่ในเขตอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะคะถ้าเรายือนอยู่ในใจกลางทุ่งแถบนี้แล้วเหลียวมองไปรอบๆตัวเราก็จะเห็นแต่ทุ่งหญ้าจระขอบฟ้าสุดสายตาย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 60-70 ปีมาแล้วเนี่ย พุ่งแห่งนี้ไม่มีต้นไม้ขึ้นอยู่เลยมีแต่ป่าหญ้าแท้ๆสูงแค่สีษะคนเท่านั้นแต่ว่ามาตอนนี้นะคะก็มีต้นไม้ขึ้นบ้างเป็นบางแห่งตามเนินสูงทั่วไปแต่ก็มีบางตามาก สภาพของทุ่งก็ไม่ได้ราบเรียบเสมอกันมีเนินมีแอง่งสู ง, ส ง, สงต่ ำ, ตำแล้วก็มีลำห้วยค่ะเล็กใหญ่นะคะก็แล้วแต่ว่าจะเป็นพื้นที่จะเอื้ออานวยมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ไหลผ่านหลายสายเช่นลำเสียวเล็กลำเสียวใหญ่ลำเตาหรือว่าจะเป็นลำพลับปลานะคะซึ่งเป็นทางระบายน้ำออกทุ่งในฤดูฝนลงสู่แม่น้ำมูล2ฝั่งลาห้วยเหล่านี้ก็จะเป็นดินทาม ฤดูฝนน้ำหลักทุ่งฤดูแรงค่ะน้ำก็แห้งขอดประชาชนก็ได้อาศัยจับปลาตามลำน้ำเหล่านี้เป็นอาหารในฤดูแรงที่น้ำลดลงเมื่อปีพุทธศักราช2460ถอยหลังจากนี้ไปก็มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกวางอีเก้งละมั่ง อยู่กันเป็นฝูงใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีนกตัวใหญ่ๆอาศัยอยู่ก็มากเหมือนกันเช่นนกหงส์นกกระเรียนนกกระทุงนกเป็ดน้ําก็เรียกว่าอยู่กันเป็นฝูงใหญ่เลยแต่ว่าเวลานี้ค่ะสัตว์ป่าเหล่านั้นได้หายสาบสูญไปหมดแล้วเรียบร้อย มีตำนานเล่าขานกันมาเมื่อหลายพันปีแล้วนะคะดินแดนทุ่งกุลาดองให้เคยเป็นทะเลสาบมาก่อนกว้างยาวสุดลูกหูลูกตาไม่มีต้นไม้ใหญ่สักต้นเพราะว่าน้ำลึกมากเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนาน า, นานชนิด ในสมัยนั้นก็มีเมืองสําคัญอยู่เมืองหนึ่งชื่อเมืองจำปาขันหรือว่าจำปานาคบุรีค่ะอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบปัจจุบันก็คือเทศบาลตําบลจำปาขันอําเภอสุวรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือเมืองจำปานาคบุรีหรือว่าเมืองจำปาขันนั่นเองนะคะพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองเมืองนคร น, นั้นมีที่ดาอยู่องค์หนึ่งชื่อว่านางแสนสีแล้วก็มีหลานสาวคนนึงชื่อว่าคําแพง นางทั้งสองคนเนี่ยเป็นหญิงสาวรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาสาวงามสวยทั้งสองคนเลยนะคะลักษณะเท่ากับนางอับซรมีวยัย15หยกยกสิบหกยอนยอนพระราชาก็รักเหมือนดวงพระเนตรแล้วก็ได้จัดให้มีคนดูแลรักษาอย่างดีซึ่งผู้ดูแลรักษาก็มีชื่อว่าจาแอนเมื่อนางทั้งสองเนี่ยจะไปที่ใดจ่าแอนก็จะคอยติดตามไปด้วยทุกขนแห่ง ในเมืองจำปานาคบุรีนี้นะคะก็มีพญานาคอยู่ฝูงหนึ่งเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากถ้าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนพญานาค ก, ก็จะให้ความช่วยเหลือทุกอย่างก็เลยได้ชื่อว่านาคบุรีนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนั้นก็มีอีกเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าบุรพานครซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบ มีโอรสชื่อท้าวหาดคำโปงแล้วก็มีหลานชายนะคะชื่อท้าวอุทอนค่ะทั้งสองก็ได้ออกไปเรียนวิชาศิลปาศาสตร์นะคะสํานักเดียวกันเมื่อเรียนจบแล้วอาจารย์ก็อยากจะให้ลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยลองวิชาดูว่าจะมีความสามารถเพียงใดก็เลยเรียกลูกศิษย์ทั้งสองเข้ามาหาแล้วก็สั่งนะคะว่าให้เจ้าทั้งสองคนเนี่ยไปสู้รบกับพญานาคที่เมืองจำปานาคบุรีและกาชับว่าพญานาคนั้นมีฤทธิ์มากหากเจ้า ทั้งสองชนะพญานดพญานาคได้ก็หมายความว่าวิชาที่เจ้าได้ร่ำเรียนมานั้นเป็นผลสำเร็จลูกศิษย์ทั้งสองคนนะคะก็ปฏิบัติตามคำสั่งของอาจารย์เป็นอย่างดีก็เลยพากันกราบลาอาจารย์ออกจากสํานักไปยังเมืองจมปานาคบุรีค่ะเมื่อไปถึงเท้าทั้งสองยังไม่ได้ลองวิชาแต่อย่างไร แต่ว่าได้ทราบนะคะว่าเจ้าเมืองจำปานาคบุรีนั้นมีพระธิดาแล้วก็หลานสาวที่สวยงามมากจึงเป็นเหตุให้ชายหนุ่มทั้งสองคนนี่หันมาให้ความสนใจในสาวงามมากกว่าการที่จะสู้รบอ่าแล้วก็ทดลองวิชากับพญานาคนะคะจึงได้พยายามติดต่อกับนางทั้งสองแต่มองไม่เห็นหนทางที่จะสำเร็จได้เพราะว่านางทั้งสองมีผู้ดูแลรักษาอย่างเข้มงวดจึงหาโอกาสติดต่อได้ยาก แต่ว่าหนุ่มทั้งสองก็มีได้ละความพยายามแต่อย่างใดค่ะแล้วก็ได้สืบทราบมาว่าทุกๆเจ็วันนางทั้งสองจะพาบ่าวไพร่แล้วก็ผู้ดูแลรักษาออกไปเล่นน้ำที่ทะเลสักครั้งหนึ่งก็เลยคิดนะคะว่าจะใช่วิชาที่ได้ร่ำเรียนมาเนี่ยเข้าไปช่วย อยู่มาวันหนึ่งค่ะพระนางทั้งสองพร้อมด้วยบริวารจ่าแอนผู้ ด, ดูแลรักษาก็ได้พายเรือลงไปเล่นน้ำที่ทะเลท้าวทั้งสองเห็นเป็นโอกาสดีก็เลยเสกผ้าเช็ดหน้าให้กลายเป็นหงส์ลอยไปข้างหน้าเรือของนางทั้งสองคน เมื่อนางทั้งสองคนเห็นหงทองลอยน้ํามาก็อยากได้ไว้เชยชมละค่ะจึงอ้อนวอนจ่าแอนให้พายเรือติดตามเอาหงมาให้ได้แต่ยิ่งตามไปใกล้เท่าไหร่หงทองก็ยิ่งลอยออกไปไกลทุกทีครั้งฉลอฝีพายลงหงทองก็ลอยช้าลงด้วยทําท่าจะให้จับตัวได้เมื่อยิ่งตามไปเรือของนางทั้งสองก็ตกอยู่กลางทะเลใหญ่ท้าวฮัดคาโปง่งแล้วก็ท้าวอุทอนเห็นเป็นโอกาสดีนะคะก็เลยแล่นเรือสำเพอของตัวเองเนี่ย ที่จอดรอคอยอยู่แล้วนะคะออกสกัดหน้าเรือของนางทั้งสองแล้วก็เอานางทั้งสองพร้อมด้วยบริวารขึ้นเรือสำเพอของตัวเองแล้วก็แล่นออกไปในทะเลใหญ่เมื่อเจ้าเมืองจำปานาคบุรีได้ทราบข่าวว่านางทั้งสองหายไปก็ตกพระทัยเป็นอันมากค่ะแต่ว่าพระราชาองค์นี้มีพญานาคเป็นสหายซึ่งเคยสัญญากันไว้ว่าถ้าเกิดศึกสงครามแก่บ้านเมืองเวลาใดให้ตีกลองชัยจะได้มาช่วย เมื่อเกิดเหตุกระทันหันขึ้นดังนั้นนะคะพระราชาจึงใช้ให้มหาดเล็กตีกลองชัยขึ้นเมื่อพญานาคได้ยินเสียงกลองของพระราชาก็ได้จัดกองทัพขึ้นมาแต่ไม่เห็นข้าศึกก็เลยถามพระราชาค่ะว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจึงได้ตีกลองชัยพระราชาจึงบอกว่ามีหนุ่มวิทยาคมสองคนได้ลักพาพระธิดาแล้วก็หลานสาวทั้งสองหายไปในทะเลสาบก็เลยอยากจะขอให้พญานาคเนี่ยช่วยเหลือด้วย พยานาคเป็นผู้มีฤทธิ์ค่ะจึงบันดาลให้ทะเลสาบแห้งเหือดไปทันทีเรือสำเภาของท้าวาดคำโปงแล้วก็ท้าวอุทรก็แล่นต่อไปไม่ได้ท้าวทั้งสองจึงนำจ่าแอนผู้ดูแลนางทั้งสองไปซ่อนไว้ในดงแห่งหนึ่งต่อมานะคะดงแห่งนี้ได้ชื่อว่าดงจ่าแอนแล้วก็กลายเป็นที่ตั้งของบ้านจ่าแอนซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าบ้านแจ่มอารมณ์ค่ะตั้งอยู่ในอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด แล้วก็นำนางแสนสีไปซ่อนไว้ในดงอีกแห่งหนึ่งต่อมาก็ได้ชื่อว่าดงแสนสีแล้วก็ได้กลายเป็นที่ตั้งของบ้านแสนสีในปัจจุบันนี้นะคะก็ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเกษตรวิชาอ่าวเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนนางคำแพงผู้เป็นหลานค่ะได้นำไปซ่อนไว้ที่ดงอีกแห่งหนึ่งต่อมา ใช้ชื่อเรียกดงนี้นะคะว่าดงป่าหลานแล้วก็ได้กลายเป็นที่ตั้งของอำเภอบ่าหลานปัจจุบันนี้เรียกว่าอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ เมื่อน้ำทะเลได้แห้งเหือดหมดแล้วบรรดาสัตว์น้ําต่างๆก็จะมีปูปลากุ้งหอยหรือว่าจะเป็นจระเข้เต่าแล้วก็ตาภาพน้ําที่เคยอาศัยอยู่ในทะเลสาบนั้นได้ตายหมดแล้วก็เน่าเหม็นส่งกลิ่นคลุ้งขึ้นไปบนฟ้าจนไปถึงพระนาสิตของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นฟ้าค่ะพระอินทร์ก็ทนไม่ได้แล้วค่ะก็เลยใช้ให้นกอินทรีสองผัวเมียเนี่ยลงมาจิกกินซากสัตว์ที่ตายให้หมด นกอินทรีได้กินอยู่ประมาณครึ่งเดือนค่ะถึงสมหมดนะคะแล้วก็ได้ถ่ายมูลไว้เป็นกองใหญ่มากทุกวันนี้เรียกว่าโพลขี้นกนะคะก็จะปรากฏอยู่ที่กลางทุ่งกุลารองไห้อยู่แถวโรงเรียนบ้านพลครกน้อยนะคะในเขตตำบลหินกองอำเภอสว น, นภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนนกอินทรีนั้นค่ะเมื่อกินสัตว์ที่ตายแล้วจึงได้ไปถามพระอินทร์ว่าถ้าแต่จอมเทพผู้เป็นใหญ่แห่งเทวดาทั้งหลายพระองค์จะให้หม่อมชันกินอะไรต่อไปอีกเล่า ครันพระอินท์จะบอกให้กินสัตว์ที่มีชีวิตก็กลัวว่าศีลจะขาดจึงบอกเป็นอุบายไปยบอกว่าให้ท่านทั้งสองนอนฝันกินเอาเองเถิดถ้าหากฝันว่าได้กินอะไรก็จงไปกินตามความฝันนั้นมีอยู่มาวันหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนกอินทรีผัวเมียเนี่ยฝันนะคะว่าได้กินพญาช้างสารก็เลยพากันไปสู่ดงใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบที่มีชื่อเรียกว่าดงน้ําเปียก ซึ่งเป็นที่อยู่ของพระยาช้างศารนะคะคําว่าดงน้ําเปียกในที่นี้เพ่งตามภาษาแล้วเข้าใจไหมะว่าเป็นภาษาเขมรเช่นคําว่าตะตึกแปลว่าเปียกน้ําแต่ว่าในปัจจุบันเราเรียกว่าดงสะตึกนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของอําเภอสะตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในทุกวันนี้เพราะว่าดงสะตึกนี้เป็นดงที่ราบต่ําแล้วก็อยู่ริมทะเลด้วยเป็นดงที่มีช้างอยู่มากมายมีเจ้าโขงชื่อพระยาช้างศาร เมื่อนกอินทรีผัวเมียไปพบพญาช้างสารแล้วก็เลยพูดขึ้นนะคะว่าพระอินทร์เนี่ยได้ให้ข้าพเจ้ามากินท่านเป็นอาหารเมื่อพญาช้างสารได้ยินดังนั้นนะคะก็ยังไม่เชื่อนกอินทรีค่ะเพราะว่าตามปกติแล้วเชื่อนะคะว่าพระอินทร์จะไม่เบียดเบียนสัตว์โลกทั้งหลายมีแต่จะช่วยให้พ้นทุกข์เท่านั้นพญาช้างสารก็เลยพูดว่าท่านจะกินข้าพเจ้าไม่ว่าอะไรหรอกแต่ข้าพเจ้าขอผลัดเวลาไว้สักวันหนึ่งเพื่อจะได้ไปทูลถามพระอินทร์ให้เป็นการแน่นอน เมื่อนกอินทรีได้ยินดังนั้นค่ะก็ผ่อนผันให้นะคะให้พยาช้างสารเนี่ยไปสอบถามกับทางพระอินทร์ให้ได้ความแน่ชัดก่อน ครั้นแล้วพระยาช้างสารนะคะก็ใช้ให้พระยาช้างเคล้าคลึงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทไปทูลถามพระอินทร์แทนตัวเองครั้นพระยาช้างสารไม่ได้ไปเนี่ยก็ใช้พยาเ้าคลึงเนี่ยซึ่งเป็นช้างเป็นเพื่อนเหมือนกันพอไปถึงพระอินทร์ก็เลยถามว่าข้าแต่เทพเจ้าผู้เป็นจอมแห่งเทวดาพระองค์ใช้ให้นกอินทรีไปกินพระยาช้างสารหรือพระอินทร์ตอบไปอย่างฉับพลันว่า ข้าไม่ได้บอกพญานกอินทรีว่าให้ไปกินพญาช้างศารแต่เราได้บอกนกอินทรีผัวเมียนอนเสียงทายฝันกินเองเมื่อฝันว่าได้กินอะไรก็ให้ไปกินตามความฝันนั้นเถิดนกอินทรีฝันว่าได้กินอะไรก็เป็นเรื่องของเท้าหาใช่เรื่องของเราไม่พญาช้างเคลา้าคลึงนะคะจึงทูลถามว่าถ้าเช่นนั้นเมื่อคืนนี้หม่อมชั้นฝันว่าได้นอนร่วมกับนางสุชาดาอัคราไมเหสีของพระองค์พระองค์จะให้หม่อมชั้นนอนร่วมกับพระนางสุชาดาได้หรือไม่ ครันพระอินทจะตอบว่าให้นอนก็คงจะเสียเปรียบพรยาช้างเาค้าคลึงอะนะคะถ้าพระองค์จะตอบว่าไม่ให้นอนก็เป็นการเสียสัตว์ด้วยเหตุนี้ค่ะพระอินจึงนิ่งเฉยไม่ทรงตอบว่าการะไรจึงเรียกนางเทพธิดามาฟ้อนรำให้พระยาเค้าคึงดูพรยาช้างเขาคึงดูความสวยงามอ่อนช้อยของนางเทพธิดาจนเพลิดเพลินแล้วก็เคลิมหลับไปในที่สุดค่ะจนลืมวันที่นัดหมายกับนกอินทรีไว้แล้วนกอินทรีก็ไม่เห็นพรยาช้างเขาคึงลงมาก็กิน พญาช้างสารแล้วก็คาบเอาเท้าของพญาช้างสารเนี่ยไปทิ้งไว้ในดงเมืองสีภูมิชื่อว่าดงเท้าสารปัจจุบันคือที่ตั้งของอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคาบเอาหัวของพญาช้างสารไปทิ้งไว้ที่บ้านหัวช้างและต่อมาก็ได้ตั้งอำเภอขึ้นครั้งแรกเรียกว่าอำเภอหัวช้างครั้นต่อมาค่ะเท้าพรมสุวรรณทาดาจึงย้ายไปตั้งที่ทาการใหม่เรียกว่าอำเภอจตุรพักพิมาน ส่วนสาเหตุนะคะที่เรียกว่าอำเภอจตุรพักพิมานนั้นก็เพราะว่าพระพรหมโดยมากจะมีสีหน้าจึงเรียกตามชื่อของพระพรหมจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเมื่อนกอินทรีได้กินพญาช้างสารตามความฝันแล้วก็มีใจกำเริบเสรบสารค่ะนึกอยากจะฝันจะกินมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายเป็นอันมาก ทำให้มนุษย์แลวก็สัตว์เนี่ยที่เวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องลำบากเพราะว่ากลัวแต่นกอินทรียจะกินจนไม่เป็นอันทร ม, มาหากินซึ่งในขณะเดียวกันนั้นค่ะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งประทับอยู่ณนะเวรุวันมหาวิหารทรงแผ่พระสัพพัญญาตาญานตรวจดูสัตว์โลกในเวลาปัจจุบันสมัยตามพุทธวิสัยของพระองค์ ก็ได้ทรงเล็งเห็นความโหดร้ายของนกอินทรีผัวเมียซึ่งกำลังเบียดเบียนสัตว์โลกอยู่จึงทรงตรัสเรียกพระโมคขลานะเข้ามาหาแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนโมกขลานะเธอเป็นผู้ได้เอตะทักคะในทางฤทธิ์เธอจะไปช่วยสัพสัตที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่นั้นเถิดครั้นแล้วพระโมคขลานะก็ถือบาทแล้วก็จีวรเหาะเหินมุ่งหน้าสู่ดงเท้าสาร ได้มาพักอยู่ที่ดงเท้าสารเข้าฌานตะโชกศิลเพ่งไปเป็นไฟอารมณ์นะคะเกิดเป็นเพลิงลุกโพลง่งขึ้นมาไปกระทบกับร่างของนกอินทรีผัวเมียค่ะก็เกิดทําให้นกอินทรีผัวเมียทั้งสองตัวเนี่ยร้อนอกร้อนใจจนแทบจะขาดใจตายนกอินทรีผัวเมียก็เลยแผดเสียงร้องขึ้นดังไปไกลได้ร้อยยอดสะเทือนถึงพื้นบาดาล น, นะคะ ขณะนั้นก็มีพญานาคอยู่ฝูงหนึ่งซึ่งอยู่ในบ่อแห่งหนึ่งไม่ไกลจากดงเท้าสารค่ะก็ได้ยินเสียงประหลาดดังวันไหวนึกว่าอันตรายจะมาถึงตัวก็เลยโผล่หัวขึ้นมาจากพื้นบาดาลพ่นพิษออกไปเป็นควันมืดฟ้ามัวดินพิษก็เลยไปถูกลู ก, กตาของมนุษย์ผู้ที่อยู่บ้านใกล้เป็นอันตรายจำนวนมากบางคนถึงกับลูกตากระเด็นออกมา ต่อมาหมู่บ้านนั้นค่ะก็เลยได้ชื่อนะคะว่าบ้านตาเดนซึ่งปัจจุบันก็คือบ้านตาเนนอำเภอสว น, นภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเพราะว่าพิษของพญานาคมีรสเค็มจัดยิ่งกว่าเกลือซะอีก พระโมคคัลลานะอรหันต์เมื่อเล็งเห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็เลยเข้าชานเตโชโกสินเกิดเป็นเปลวไฟไปปกปิดปากบ่อที่พญานาคโผล่ขึ้นมาพ่นพิษไม่ให้โผล่ขึ้นมาพ่นพิษได้อีกนะคะแล้วก็ท่านเกรงว่าพญานาคจะขึ้นมาได้อีกเลยอธิษฐานเท้าซ้ายเหยียบที่ชายจีวอนปัจจุบันยังเหลือให้เห็นเป็นรอยเท้าคนขนาดยาว1เมตร ว่าง40เซนติเมตรอยู่ระหว่างเนินหญ้าน้อยบริเวณบ่อพันขันแล้วก็อธิษฐานให้เท้าขวาเหยียบที่ชายจีวอนห่างกันไปอีกประมาณ1กิโลเมตรนะคะทางทิศใต้ ตรงปากน้ำลงลำน้ำเสียวนะคะก็มีรอยขนาดเท่ากันค่ะยังเหลือปรากฏอยู่เหมือนเดิมปัจจุบันนะคะเป็นที่น่าเสียดายค่ะที่ทางราชการได้ปิดบ่อเป็นฝ่ายกั้นน้ำก็เลยทำให้น้ำท่วมทั้งสองรอยค่ะต่อมาจีวรของพระโมคคลานะนะคะก็เกิดเป็นแผ่นหินเป็นรูปจีวรและท่านเกรงว่าประชาชนต่อไปจะไม่มีน้าจืดกินก็เลยได้อธิษฐานใช้นิ้วชี้ลงไปตรงผ้าจีวรผืนนั้นก็เลยเกิดเป็นรอยแตกท กันกับขันน้ำนะคะมีรัศมีกว้าง9นิ้วลึกประมาณ8นิ้วมีน้ำไหลออกมาประจำชาวบ้านเรียกนะคะว่าน้ำสังโครกเพราะว่ามีลักษณะเหมือนครกต่ำข้าวนะคะแล้วก็บริเวณนั้นทั้งหมดทั่วบริเวณเรียกว่าบ่อพันขันค่ะ เมื่อปราบพยานาคเสร็จแล้วค่ะก็แสดงธรรมโปรดชาวเมืองเนี่ยให้ยึดมั่นในพระตนตรยัยจากนั้นนะคะพระโมคคัลลานะก็กลับไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็มิได้กลับคืนมาสู่ดินแดนแถบนี้อีกจนกระทั่งนิพพานค่ะข่าวการนิพพานของพระเถระได้แพร่กระจายไปถึงชาวเมือง ก็เลยได้ส่งคนให้ไปอัญเชิญพระอาธิตธาตุมาทำสถูบรรจุไว้ที่ดงเท้าสารซึ่งปัจจุบันนะะี่ะสันนิษฐานว่าคงจะเป็นพระธาตุอรหันโมกคลาที่วัดกลางอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเป็นอุดเทศิกเจดี JD ให้เราชาวพุทธได้สักการะต่อมาในเวลาช้านานนะคะสำหรับบริเวณบ่อพันขันนั้นคุณผู้ฟังมีลาห้วยขนาดกว้างประมาณ20เส้นยาว30เส้นเป็นลาน้าเล็ก ไหลลงสู่น้ําเสียวหน้าแลง้งนามแห้งขอดดินนะค ะ, ะในท้องบ่อเนี่ยก็จะเป็นสาเกลือเพราะว่าพิษของพญานาคได้ไหลออกมาจากจีวอนะคะซึ่งรสชาติเนี่ยเค็มเป็นเกลือเลยละค่ะอยู่ที่ดินแดนอํนเาเภอพนมไพรแล้วก็สุวรรณภูมิจดกันหน้าแลง้งคนสองอำเภอนี้ก็จะพากันขูดเอาผงดินในท้องบ่อมากรองเอาน้ําเกลือที่ไหลออกมาต้มเป็นเกลือสินเทาเรียกว่าเป็นสินค้าประจําตลอดมา ที่เรียกว่าบ่อพันขันนั้นเพราะว่าจีวรของพระนั้นนับเป็นขันจีวรพระที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีอยู่เจดขันและ9ขันนะคะแต่ว่าจีวรของพระมหาโมคคลานะนั้นท่านทำด้วยริดใหญ่ตั้งพันขันค่ะก็ะเลยปกคลุมพญานาคได้ ผู้คนก็เลยเรียกบ่อนี้ว่าบ่อพันขันนั่นเองจะกล่าวถึงท้าวฮัดคำโป่งแล้วก็ท้าวอุทรเมื่อได้นางแสนสีแล้วก็นางคำแพงเป็นเมียแล้วนั้นท้าวทั้งสองก็ได้เกิดขัดใจกันแล้วก็ชิงดีชิงเด่นกันเพราะว่าคนสองคนนี้นะคะเกิดตกหลุมรักนางแสนสีด้วยกันค่ะ แต่เมื่อตกลงกันไม่ได้จึงเกิดการรบพุ่งกันขึ้นท้าวฮาดคำโปรงเป็นฝ่ายปราชัยโดยถูกท้าวอุทรฟันคอขาดแล้วก็สิ้นชีพไปอย่างอนาถนะคะจึงกลายเป็นผีหัวแสงหรือว่าผีทุ่งสีภูมิเฝ้าทุ่งกุลาดรองไห้ใครไปคนเดียวในเวลาค่ำคืนเนี่ยจะเห็นแสงไฟออกจากหัวพุ่งขึ้นเหมือนแสงแตะเกียงเจ้าพายุ จะคอยลัดคอยต้อนประชาชนที่เดินทางผ่านนะคะจนไม่มีใครกล้าออกบ้านในเวลาค่าคืนคนเดียวเมื่อเจ้าเมืองจำปานาคบุรีทราบรายละเอียดดังกล่าวค่ะก็เลยทำให้เกิดความสงสารแล้วก็ให้อภัยโทษแล้วก็จัดเสนาข้าราชการไปติดตามอานางทั้งสองพร้อมท้าอุทธรักลับเข้ามายัางเมืองจำปานาคบุรี พร้อมทั้งประธานไพรพลนะคะเพื่อที่จะให้ท้าอุทธรเนี่ยไปสร้างเมืองขึ้นมาใหม่นะคะก็คือสร้างเมืองอยู่แถว dong thao s a ขึ้นเป็นเมือง thao s า n าซึ่งปัจจุบันก็คืออําเภอสวนภูมิพร้อมทั้งยกนางแสนสีให้เป็นมเหสีด้วยนะคะเมื่อทะเลอันกว้างใหญ่ภายสารได้กลายสภาพมาเป็นท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ทําให้มองเห็นดินจดขอบฟ้ามาแล้วเป็นเวลานานเท่าไหร่ไม่มีใครสามารถจะบอกได้แต่ว่าคนเฒ่าคนแก่นะคะได้เล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วได้มีการไปมาค้าขายกับพ่อค้าต่างบ้านต่างเมืองทั้งที่ใกล้เคียงแล้วก็ห่างไกลกันก็มีพ่อค้าหาบสินค้าเที่ยวขายไปตามหมู่บ้านแถบทุ่งกว้างนี้เป็นประจำโดยเฉพาะในฤดูแล้งบรรดาพ่อค้าที่มาขายของในเขตทุ่งกุลารองห้่่่่่่่่่่่่่่่า่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่น่่่่าาขข่่ะะะ่า่่ 20, ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ สินค้าที่นำมาขายก็จะเป็นพวกสีย้อมผ้าเข็มเสื้อผ้ายาสมุนไพรเครื่องถมนะคะแล้วก็จะเป็นพวกไม้ไผ่ลงรักลงสีนะคะซึ่งลวดลายสวยงามเป็นกล่องคล้ายกันกับกระติบข้าวเหนียวชาวบ้านนิยมซื้อไว้ใส่บุหรี่แล้วก็หมากพลูแต่ว่าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนพวกพ่อค้าแม่ค้าพวกนี้เนี่ยจะนำสินค้าใส่ถังใบใหญ่ที่เรียกว่าถึงกระเทียว มาขายนะคะแล้วก็จะหาดเร่รอนแรมไปเรื่อยๆเป็นแรมเดือนแรมปีขายหมดที่ใดจะซื้อสินค้าหาบขายต่ออีกไปเรื่อยๆค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะได้มีกุลากลุ่มหนึ่งค่ะเที่ยวขายสินค้าจากจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดสุรินทร์นะคะพอมาถึงอำเภอท่าตูมพวกกุลาก็ได้ซื้อเครื่องครั่งงเป็นจํานวนมากค่ะเพื่อนําไปขายต่อพอหาบครั่องข้ามแม่น้ํามูลมาได้สักหน่อยหนึ่งก็ถึงทุ่งกุลาอันกว้างใหญ่หมายใจว่าจะเดินตัดทุ่งไปสู่เมืองป่าล้านที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะแล้วก็ขอนแก่นอุดรธานีแล้วก็จะขึ้นเหนือไปเรื่อยๆซึ่งเป็นเส้นทางที่พ่อคาพวกนี้ยังไม่เคยเดินผ่านทุ่งแห่งนี้มาก่อน ทำให้พวกเขาไม่ทราบว่าระยะทางที่แท้จริงว่ามันใกล้หรือว่ามันไกลแค่ไหนเพราะว่ามองเห็นเป็นเมืองป่าหลานอยู่หลัดๆนะคะหาทราบไม่ว่าใกล้ตาแต่ว่าไกลตีนเหลือเกินอันนี้เป็นสำนวนอีสานแปลว่ามองเห็นเป็นใกล้แต่ต้องเดินไกลนะคะ แต่ว่าขณะที่เดินข้ามทุ่งค่ะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ม, มากแล้วก็ในช่วงนั้นเป็นฤดูแรงด้วยค่ะน้ําจะดื่มก็ไม่มีต้นไม้จะอาศัยร่มเงาแม้แต่เพียงต้นเดียวก็ไม่มีทั้งแดดก็ร้อนจัดต่างพากันอิดโรยไปตามๆกันค่ะครั้งที่หาบมาจะทิ้งก็เสียดายก็เลยพากันโอดครวญคิดว่าคงจะเอาชีวิตมาตายในทุ่งแห่งนี้เป็นแน่แท้ก็เลยพากันร้องไห้ไปตามๆกัน พวกกุลาต่างพากันรองให้แล้วก็ได้พากันพักพอหายเหนื่อยก็เลยเดินทางต่อไปอีกแต่ครั้งที่หาบมามันหนักมากนะคะพวกกุลาก็เลยพากันเท ค, ครั้งน้อยทิ้งให้หมดเลย ครั่งน้อยในที่นี้หมายถึงครั่งที่แยกตัวครั่งออกแล้วพวกนี้จะราคาไม่ค่อยดีนะคะต่อมาก็ได้กลายเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านดงครั่งน้อยอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อพวกกุลาเดินทางต่อไปอีกก็รู้สึกอิดโรยมากครั้นไปถึงกลางทุ่งก็เลยตัดสินใจเทครั่งใหญ่ทั้งหมดทิ้ง คลั่งใหญ่ก็คือครั่งที่ยังไม่แยกตัวออกจากครั่งเพราะว่าเวลาย่อม่าเวลาย้อมใหมนะคะจะมีสีแดงสดจะได้ราคาดีนั่นเองนะคะก็คงเหลือไว้เพียงแค่อาหารการกินเท่านั้นบริเวณที่พวกกุลาเท ค, ครั่งทั้งหมดนี้นะคะต่อมาได้กลายเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านดงครั่งใหญ่อําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเมื่อพวกกุลาเดินทางมาพ้นทุ่งแล้วเข้าสู่หมู่บ้านก็มีคนมามุงดูเพื่อจะซื้อสินค้าเป็นจํานวนมาก แต่ว่าพวกกุลาไม่มีสินค้าที่จะขายให้แก่ชาวบ้านพวกกุลาพากันเสียใจแล้วก็เสียดายสินค้าที่ตนได้เททิ้งกลางทุง่งพวกกุลาก็เลยพากันร้องไห้อีกเป็นครั้งที่2ค่ะทําให้เกิดชื่อเรียกท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ไพศาลนีว้ว่าทุ่งกุลาร้องไห้มาตราบทุกวันนี้นะคะเรื่องราวตำนานของทุ่งกุลาเป็นเพียงแค่เกร็ดความรู้ดีๆที่เรานํามาเสนอให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ แล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์อีสาน .com ค่ะแล้วก็ทางด้านของภาพประกอบนะคะจากเว็บไซต์อีสานร้อยแปดด้วยคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะท่านใดที่ติดตามรับฟังก็ให้ฟังเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับบีด้วยแล้วก็กดติดตามช anel พระเจอผีช anel เล็กๆช anel นี้ด้วยเพื่อเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะคะ วันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วกลับมาเจอะเจอแล้วก็ติดตามรับฟังเรื่องราวใหม่ๆได้ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ